มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาสัตตมวคกัมมัชากัมมัชชะปัญหาที่สิบถามว่าสิ่งไรที่เกิดแต่กรรมและเหตุและฤดูสิ่งไรไม่เกิดแต่กรรมและเหตุและฤดู สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคาเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากัตเมเอถะธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดแต่กรรมก็ดีเกิดแต่เหตุก็ดีเกิดแต่ฤดูก็ดีจะได้แก่สิ่งดังรือกัตเตเมนะกัมมัชชาธรรมชาติอันมิได้เกิดแต่กรรมและเหตุและฤดูนั้น ได้แก่สิ่งดังือพระนาเคเษสจริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกะระบอบพิษผู้ประเสริฐเยเกจิสัตตาแต่บรรดาสัตว์ที่ประกอบไปด้วยเจตนาเหล่าใดเหล่าหนึ่งนั้นเกิดแต่กรรมสิน้นอันว่าต้นไม้และเครือเขาเถาวันที่เป็นพืชชคามและภูตะะคมนั้นเกิดแต่เหตุผู้เขาแผ่นดินน้ำลม และไฟทั้งหลายนี้เกิดแต่ฤดูยังธรรมชาติอีกสองประการคืออากาศและพระนิพพานมิได้เกิดแต่กรรมแต่เหตุแต่ฤดูอันพระนิพพานนี้จะว่าเกิดแต่กรรมหรือแต่เหตุหรือแต่ฤดูก็ไม่ได้จะว่าบังเกิดขึ้นแล้วยังมิได้บังเกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่จะพึงให้บังเกิดขึ้นก็ไม่ได้และไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคต ไม่เป็นปัจจุบันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยจักขุโสตคานะชิวหากายะอินสีทั้งห้านี้ก็หาไม่ได้รู้ได้ด้วยใจอย่างเดียวและรู้ได้แต่พระอริยสาวกผู้ปฏิบัติชอบซึ่งอาศัยเห็นได้ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์เท่านั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาทรงสวราการก็ทรงโสมนาตรัสว่า พันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญปัญหานี้พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาได้ถูกต้องทุกประการโยมได้สดับเข้าใจสิ้นวิมติกังขาสงสัยแล้วจะขอรับไว้ปฏิบัติสืไปกรรมชากรรมัชาปัญหาเป็นคำรบสิบจบเพียงนี้